ขอความเจริญในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลรลมปวงติยานกำลังนำเสนอภาวนาประธานหรือการเจริญกุศลหรือการบำเพ็ญบุญหรือการบำเพ็ญกุศลก็ตามคือเป็นความเพียรพยายามสร้างเหตุคือความดีขึ้นมาแต่ถ้ายกบา ร, รมีเนี่ยเพจริงๆแล้วบา ร, รมีเนี่ยมันก็แบบเดียวกับศีลสมานพิปัญญาหระทานศีลภาวนา ที่ก็ทําหน้าที่กจัดโรคกดหลงโดยเฉพาะก็จริงธรรมะ ก, ก็การะจัดโรคกดหลงนั่นแหละแต่เพียงว่าตัวเนี้ยเป็นตัวหลักการหลักการกใหญ่ๆคือสีละบา ร, รมีนั้นถ้าเรามองให้ดีนี่มันก็จะโลภะ น, นโทุศักด์แตส่วนใหญ่การละเมิดศีล ส, ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโลภะ มันเกิดเป็นจากโลภะ ก, กับโมหะเนี่ยมันทําให้เกิดการละเมิดศีลเราลองดูศีลข้อศีลห้าข้ออี ก, ก น, นะฮะไปดูตัวอย่างศีลห้าข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าฆ่าสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยฆ่าเพราะโลภเพราะโลภก็ อ, อยากได้ลักทรัพย์เกือบจะทั้งร้อยนะฮะนอกจากว่าต้องการจะแก้แค้นโกรธขึ้นมาไปทําลายทรัพย์สินเขาไปเผาเลือกสวนได้นหน้าเขาอะไรแต่ไรเนี่ย หรือไปวางระเบิดรถเขากาเมเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเป็นโลภะแล้ครับเป็นบ้าแต่ในบางกรณีต้องการจะแก้แค้นพ่อของเขาสามีของเขาแล้วก็ไปล่วงละเมิดกู้ครองของเขาหรือว่าลูกของเขาุิสษษาาะส่วนใหญ่ประเทศนะคือโกหกก็เพราะโลกแ่ะดื่มสุราทั้งโลกแบบงงๆเลย ทีนี้มันก็พร้อมที่จะพริกกลับจะหมายความพร้อมจะเกิดโทสะพร้อมจะเกิดหมุดหงิดรําคาญเช่นสมมติว่า จ, จับปลาแล้วก็จับไม่ได้เนี่ยฮะจับไม่ได้ก็หมุดหงิดรําคาญแล้วก็เสียใจแต่ว่ามันก็อยู่ในเวทวงของทุกข์กสุขไทยเบียเ่ยงไปเบียงมาอยู่ในเรื่องสองเรื่องเนี่ย ก็วันก่อนได้พูดมาถึงสัมปัตตวิรัตวันนี้ก็จะนำาอครงสร้างหลักที่ท่านแสดงไว้ในอภิธรรมมสังกหะที่เรียกว่าลักษณะที่ประจุ จ, จตุกะคือเป็นความฉลาดสามารถของบุรพจารย์ท่านนะนะแต่ท่านเข้าใจพุทธะทบายคือนยะที่พระเจ้าสงแสดงไว้ในชีตนั้นๆในพะสูตนเนี่ย แต่ท่านก็มานำแสดงและโดยแยกก็เป็นลักษณะเป็นกิจเป็นรถเป็นปัจจุบันลักษณะก็คือลักษณะของสิ่งนั้นๆกิจก็คือหน้าที่ที่สิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นเราจะทําอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นเมื่อกิจของไฟเนี่ยคือให้แสงสว่างและไปจากความมืดพร้อมด้วยความร้อนด้วยหรือว่ากิจของน้ําแข็งเนี่ยก็ทําหน้าที่ให้ความเย็นและไปจากความร้อนให้เราด้วย มันเป็นกระบวนการธรรมชาติอย่างนั้นเันสีเนี่ยมีการงดเว้นเป็นลักษณะแต่ปัญหาว่าจะงดเว้นอย่างไรละคือบางทีนี่ท่านไปนิยามเอาไว้ว่าบางทีก็มีการสมาทานเป็นลักษณะมีการตั้งมั่นเป็นลักษณะ เวลาท่านนิยามมานั้นท่านบอกว่าธรรมชาติใดย่อมรองรับคือเข้าไปทรงไว้ซึ่งกุศลทั้งหลายเพราะเหตุนั้นธรรมชาติทั้นชีวสีลหมายความยังไงนักความวาจับใดที่เรามีศีลอยู่เนี่ยใกุศลและทมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันล้นออกมาไม่ได้อ่ะเพราะศีลมันกั้นไว้ เพราะสินบางระดับที่เป็นนี่ดเนี่ยท่านจึงเรียกว่ามัญญาหรือมัรญาติมัญยาต์หรือมันญาติที่จริงก็คือเขื่อนด้วยคันนาหรือคันดินต่างๆเนี่ยมันกั้นน้ำเพราะมันจะกั้นกิเลสเอาไว้แม่้ทารกล้นออกมาข้างนอกทีนี้ในการงดเว้นเนี่ยเราจะเห็นว่างดเว้นแนวสัมปัติวิรัตคือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ควรแก่การงดเว้นเกิดขึ้นมันอาจจะคิดยังไงก็ได้นะ มันอาจจะระลึกได้ในฐานะที่เราเป็นคนในชาติสกุลสูงคนมีการศึกษาดีมีวุฒิภาวะมากพอที่จะคิดตัดสินใจเองแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่อย่างนั้นก็เกิดจากความกลัวกลัวว่าถ้า ประมาณพาดครั้งไปแล้วแม่เราเองก็จะตีเตียนเราเองได้ผู้ใคลควรแล้วก็จะตีเตียนหรืออาจจะต้องถูกจกกับกลุมคุมขังลงโทษติดคุกติ ด, ต, ดตารางหรืออาจจะตายไปตกนรกไอ้ตายตกนรกนี่เรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่มีปัญหาที่สุดคือคนเขาไม่ค่อยเชื่อคือบางทีเราก็บรรยายเรื่อง ไปแต่วัตถุวิมานวัตถุเรื่องชาดโดกอะไรแต่ใดก็มีคนบางคนก็เขียนหนังสือแว่ๆนะะคล้ายๆกับเราเฉยคือบางทีคนก็อวดดีเกินเหตุไปนะถ้าเรายอมรับพระสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเมืองไทยจะดีกว่านี้เยอะเลยเพราะจริงๆธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นมันเป็นผลจากสัพพัญญุตยาน แล้วก็เป็นบรมครูเราเดินตามเสด็จรอ ย, อยุคนบาทของพระบรมครูพยายามที่จะสัมผัสพระปัญญาความบริสุทธิ์ความกรุณาของพระองค์เท่าที่เราจะทำได้นะะอะไรมันก็จะดีขึ้นกว่านี้ก็มีท่านผู้ใหญ่ตัหนึ่งท่านพูดเราคนไทยมันเสียอย่างหนึ่ง คือเรียนน้อยพูดมากรู้ก่อนเรียนนะฮะคือพูดเสดโดยไม่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยเมือก่อนในอ่านอินเทอร์เนต็ตนะเขาเขาทำยังไงออกมาอินเทอร์เนต็ตเนะี่ยแล้วเขามาให้อ่านก็พูดเรื่องภิกษุณีแต่เรารู้ว่าเป็นชาวบ้านพูดภาษานะเป็นภาษาชาวบ้านแน่นอนทีนี้พี่จริงหรือผูกส่วนใหญ่ แต่เราก็เห็นว่าข้อมูลเขา อ, อ่อนนะกฎนมายถ้าหากว่าข้อมูลก็ดีจะพูดได้ดีมากเลยมันขาดการศึกษาขาดการเรียนรู้ที่ถูกต้องเพราะงั้นถ้าจะพูดเนี่ยมันก็ต้องลงทุนศึกษา อ, อย่างเราไม่แน่ใจว่าเรื่องนั้นมันคืออะไรเนี่ยเราก็ไม่พูดนะคือพูดเท่าที่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่พูด ก็บัรกะเนี่ยมีพระเขามีจดหมายมาจากนาครสวรรค์แล้บอกก็ติดตามรายการธรรมะอัตมาอยู่แล้วเขาก็วิจาร น, นะฮะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมากหรอกคือพระวุทธ ภ, ภันสิบที่ว่ารูปังชิรติมัจจานังนา ม, มาโกตรตังคชีรติแปลว่ารูปนี่ร่อมแก่ชราไปแต่ชื่อและโคดเนี่ยฮะแก่ชราไปใหม่คือไม่ได้แก่ชราไปแบบ แบบรูปเท่านั้นเองไงนะฮะมันโคตรของพระพุทธเจ้าตัวนี้มันสองพันกว่าปีแล้วก็ยังอยู่แต่พระรูปของพุทธเจ้าหายไปตั้งสองพันกับสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วอันนี้ก็เท่านั้นนะนะเองเทือนไนยะเป็นพื้นพื้ น, นมันไม่จะพูดถึงปรมัติษฐ์จักนะกระบวนการเกิดดับอะไรมันต้องรู้นะพุธธทธอธิบายเนี่ยพระอร า, าจารย์ท่านอธิบายขนาดนั้นไม่ใหญ่ธิบายขนาดเอาปรมัภิธรรมก็ามาพูด เนี่ยมันเราต้องเข้าใจบางทีนี่ต้องมองที่เจตนาเขาว่าพุทธประสงค์พุทธาทีบายพระตถาอาจารย์นั้นท่านใกล้ชิดกว่าท่านลึกซึ้งกว่าเรานะพอเราไม่กล้าที่ตัดสินใจหรอกเมื่อท่านว่าไปอย่างหนึ่งเราก็ตามหลังท่านนะ่ะเราไม่กล้าเสี่ยงไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นแต่ว่าถ้าไปอธิบายในที่อื่นเนี่ยใช่ แต่วในกรณีนี้เป็นการอธิบายพุทธศาสนาสุพุทธภาษีเพราะฉะนั้นทนนยามว่ า, า, ย, าวยัางไงคืออย่างนั้นเนี่ยเราไม่กล้าไปร่วงล้าออกไปอ่านเป็นเล่มสิทธิ์นอกครูนี่ไม่ดีนะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะฮะว่าแสดงมาทางความจริงแล้วก็มีความเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งเพราะในการมดเว้นอีกแนวหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดจากกีริโอตปะครบ เขาเรียกเป็นมโนธรรมเป็นสำนึกแล้วก็มองมันชีวิตเรามันไม่ได้คุ้มค่าอะไรวันก่อนมีงานสมเด็จประมาสํานะวันที่สองสิงหาเนี่ยคนในมณฑพระต่างวัดมาบำเพ็ญกุศลแล้วก็ไปฉันข้าวโดยกันก็คุยธรรมะ ก, กันไปนะแล้วก็บอกว่าเนี้ยเราจะอยู่กันกี่วันวัายุมากแล้วเกินหกสิบแล้วทั้งนั้นในนั่งในโต๊ะเนี่ย ตอนนี้อ ย, อย่างผมเองเนี่ยผมก็หกสิบแปดสมมุติถ้าผ ม, มาอายุแปดสิบผมก็อีกสิบสองปีผมก็ตายแต่หลวงพี่บางองค์นี่ยเขาแกา่กว่าธรรมะอีกเพราะมันมันชีวิตเนี่ยมันหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เจอตายแล้วต้องเกิดอีกเนี่ยมันปัญหาสาคัญว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแล้วจะต้องทาบาปกรรมไปทําไม าบาปกรรมเหล่านี้ยบาปกรรมที่เป็นการละเมิดศีลเนี่ยมันวงเหนี่วไปสู่นรกทั้งนั้นเป็นทางแห่งทุ ก, กติวินิบาตันรกปัสุรกายไม่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงเมื่อไหรแล้วฮะถ้าละเมิดศีลแล้วก็บังจะตายไปแล้วจะบังเกิดในทุ ก, กติวินิบาตันรกปัสุรกายเหมือนกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสนักสานึกตรงนี้แล้วก็ เพื่อหาพวกพฤติกรรมต่างๆที่เราทํานะฮเราทํามาทานศีลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพิธีกรรมอย่างเช่นว่ามีพิธีกรรับธนาศีลและรับศีลดังอยู่คนเดียวคนอื่นเงียบฉี่นี่มันเกินเหตุเกินผลไปนะเวลาตะโกนด่ากันด่ากันได้เสียงดังโวกเวกโวกเวกรับศีลดังๆไม่ได้แลย้ยมันจะเสียหายอะไรมันแสดงให้เห็นว่าเราเชื่อมั่นว่า ข้อปฏิบัติตัวนี้เราปฏิบัติได้แล้วรักษารรับได้ดังๆเลยให้คนอื่นก็ได้ยินด้วยทํามุกมิปุป๊บมิดปุ๊บมิดเหมือนก็ไม่เต็มใจนะนะคือยังไงก็ตามนะฮะว่าอย่างอย่งไปบวถพระแก้วนี่ยเราประทับใจจากบ้านก็สวดหมดและต่างบ้าต่างๆยังมีละะักษณะอย่างนั้นรู้สึกว่าเขาเชี่ยวมัน่นนะเขาสวดเสียงดังลั่นเลยอย่างนี้ตึกสวธรรมนิเวศเทียมมาบรรยาอยู่ก็เหมือนกัน โดยเฉพาะบันเสาเนี่ยโยสมสวดมนต์ดังลั่นหรือแสดงมีความเชื่อมั่นแล้วก็หน้าตาแจม่มใสเบิกบานบีประกายตาของปีติปราโมทที่ได้มาทำเช่นั้นนันเป็นภาพที่น่ารักหรือแม้แต่ลูกสาวสาวเนี่ยเด็กอายุสิบสอง ส, สิบสามสิบสิบสามแต่แตเนี่ยนะเวลาแกรับเสีเยงแกรับลั่นเลยนะะเสียงเสียงประสานกันเลเวลากราบก็กราบดี เดี๋ยวสวดมนต์ก็สวดดังนั่นก็คือแสดงว่ามีความเชื่อมัน่นที่จะต้องประพฤตกิจการทากธรรมเพราะฉะนั้นศีลประเภทหนึ่งที่มันเกิดขึ้นโดยสมาทานคือรับศีลมายังพันเตติสนเนนะสหปัญจะศีลานียาจามะเนี่ยคือรับไปแล้วเนี่ยต้องพยายามรักษาให้ได้มันเป็นสัจจะวาจาเป็นสัจจะปฏิญาณซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันน่าจะเป็นสัตยาธิษฐาน ที่จะงดเว้นโดยเด็ดขาดเขาเรียกสมุดเฉดตปหาสมุดเฉดทวิรัตนะ่ะฮะคืองดเว้นอย่างเด็ดขาดอันนี้คือพุทธมะอะไรก็เป็นอย่างเงี้ยคือเมื่อถึงคำสำคัญเนี่ยมันต้องอ้างบาลีมันก่อนมีคนใยใช้นามปากาว่าครูคมโจมตีพระว่าแกต้องหมุนหนีภาษาบาลีแกไม่นึกว่าครูค ม, มภาษาบาลีทั้งครัวก็ตลกดี คือไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะคือเราดูแล้วเนี่ยอ่านเราไม่เข้าใจความคิดเลยนะไม่ไเข้าใจความคิดว่าคุณคิดอย่างไงที่คุณพูดอย่างเงี้ยคือเ น, นื้อหาสาระเนี่ยมันขบกันตลอดบนเส้นทางมีคนก็โทรศัพท์มาเลยก็ต้องให้เด็กไปหามาอ่านดูว่าอ๋อแต่ว่าไม่มีทางนะคุณจะให้พระเลิกพูดภาษาบาลียกบาลีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศัพท์ธรรมะเนี่ยเขาต้องยกก็ต้องเคารพ ต่อพระบาลีพุทธวัจนะแล้วคนที่ฟังเนี่ยเขาต้องรู้ว่าคำนี้มาจากอะไรให้ต้องเข้าใจตรงกันพูดถึงทิฏฐิทิฏฐิความเห็นต้องตรงกันว่าไอ้สมุจเฉตวิระกันเหมือนกันเราเห็นว่ามันจะง่ายกว่าไปพูดยาวเหยียดถ้าคนเข้าใจสัพท์แล้วอสมุจเฉตวิรัไอเนี้ยสัมปัตตวิรัไอเนี้ยสมาทานวิร ถ้าคนก็ใจสับมันก็พูดคํำท่านๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่อย่างนั้นต้องอธิบายสัมปัตวิรัติก็คือเมื่อมีเหตุให้ละเมิดศีลมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดสํา น, นึกขึ้นมาได้แล้วก็งดเบนไม่ไปล่วงละเมิดอย่างเงี้ยอันนั้นมั็นคาอธิบายแเออจะเบนจะต้องอธิบายคืออย่างเวลานี้เราจะเห็นว่าปัญหาสิ่งศิษย์ติดแต่มันเป็นปัญหาใหญ่เลิกได้ไหมล่ะ สิ่งเศษติดต่างหลายเนี่ยรักษาศีลข้อสุราให้ดีได้ไม่ได้สิ่งเสษติดทุกชนิดเลยนะสุรามรเมรัยเบียอะไรต่อะไรต่างๆเดี๋ยโฆษณาไปยังไงก็ตามคือคก็นึกไม่ออกกันเนี่ยนึไม่ออกก็เคยไปสอบถามในที่หนึ่งเขาตั้งวงงานศพนะฮะก็ตั้งวงลืมเล่ากันก็ไปเยี่ยมศพแล้วก็ลงไปพอดี เจอก็นั่งดื่มเหล้ากันนะแวะเข้าไปเลยถามมาเล่านี่ขวดเท่าไหร่เกงงงยนะังไงาโยมก็ ง, งงกันนะเสร็จแล้วก็ก็บอกบอกข้าวสานรข้าวเนี่ยมันถังละเท่าไหร่เก่ก็บอกแล้วก็ว่าถังหนึ่งเนี่ยขายซื้อเหล้าไม่โขงไม่ได้ขวดอยนะ่างไงถามาคุณเคยคิดหรอือปล่าว่าเหล้าที่คุณดื่มเป็นหนึ่งขวดเนี่ยมันแพงกว่าข้าวหนึ่งถัง แต่ข้าวหนึ่งถังนี่กว่าจะมาเป็นข้าวหนึ่งถังได้เนี่ยยาดเหงื่อเราหมดไปเท่าไหร่แต่ยาดเหงื่อตรงนั้นสมมุติว่าเก็บไปได้อ่ะนะฮะมันอาจจะมากกว่าน้ำเล้าในขวดได้ซ้ำไปก็เลยก็ไม่มีใครตอบนะก็กต่างคนเราก็นั่งนิ่งบางคนก็หัวเราะบางคนก็นั่งนิ่งมันก็ไม่ว่าอะไระเราก็ตุ้นเตือนให้สติเฉย เดี๋ยวไม่ได้คิดจะไปห้ามก็ดื่มเหล้าเราเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามคือถ้าหากว่าตอนถ้าให้ศีลแล้วเข้าไปดื่มเนี่ยเราก็คงจะต่อว่าเขาได้อันนี้ก็คือคือสํำนึกเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าสังคมได้ช่วยกันจูเลียเนี่ยมันมันเปนดึงปัญหาหเกิดขึ้นกับสังคมมากมายก่อนแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไร อย่างที่รายงานข่าวเรื่องปิดสนามหลวงคือมันพูดแล้วมันสื่อสารกันไม่ได้มันไม่จิตติดจริงๆคือคนสามารถจะใช้สอยใจอะไรพักผ่อนยืนขวารรถอะไรต่อะไรได้ตลอดทั้งคืนแมทั้งคืนทั้งวันอะไรก็ไม่ว่าอะไรแต่ในส่วนที่เป็นสนามหญ้าเนี่ยเขาขอเพื่อจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกก็ระดมคนมาแต่ว่าไม่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ คือนาข่าวก็ไปสังเกตไปเห็นว่าี่พวกนี้นพวกขายเสือพวกสแสวงหาเงินกันยอยู่ตรงเนี้ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนี่คือการเห็นประโยชน์แก่ตัวเองถรือไม่จะนึกถึงส่วนรวมมันจะเสียหายอะไรชาติบ้านเมืองจะเสียหายอะไรและตัวเองทําไมจะจมตรัสอยู่กับตรงนี้ทําไมไม่ขยับขยายไปที่มันดีกว่านั้นคือคนเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องนิรันดร์แต่ทํำยังไงให้มันเปลี่ยนแปล ง, ปลงดีขึ้นนั่นคือเรื่องเพราะได้เปลี่ยนแปลงในทางนี้เราจะเห็นว่าเราคุ้นเคยกาัรแล้วเมื่อสี้มานี่ยเปลี่ยนแปลงเสนหน่อยได้ไหมล่ะงดเว้นจนถึงกับพาหะที่จะนําเอาอันตรายต่างๆมาสู่ชีวิตเราเนี่ยมันถูกสกัดออกไปแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคเอเอางดเว้นเรื่องการสับสอนทางเพศได้ไหมล่ะ ว่ตลอดชีวิตเนี่ยจะไม่สําสอดทางเพศมีครอบครัวมีคู่ครองก็ไม่ได้ว่าไล่ให้เป็นถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามศีลธรรมก็ได้กันก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยแม้ถ้าเราลดเว้นทั้งสองข้อในโ่ยราแก้ปัญหาคือปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราสูญเสียเงินตราไปรักษาโรคเกตรักษาซึ่งไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยมันมีแต่ศูนย์ก็ศูนย์นะคนก็ศูนย์ทรัพย์ก็ศูนย์เงินก็ศูนย์เวลาก็ศูนย์ศูนย์หมดเลย ก็ตายแน่แล้วยาบ้าเนี่ยเราสูญเสียคนก็เราไปเท่าไร่สูญเสียเงินไปเท่าไหร่สูญเสียอนาคตไปเท่าไหร่ปรัญหาต่างๆมันลากกันเป็นกระบวนการเนี่ยทีนี้ประชางคมเกิดคิดว่าอีกงดเว้นเด็กขาดทั้งสองข้อแล้วก็ต่อไปก็เป็นมดเว้นในข้อที่สามไม่ใช่ข้อที่สองคือทินนาทาน คือทำยังไงว่าคนเนี่ยมันก็หนึ่งหัวสองมือหนึ่งตัวสองเท้าด้วยกันคุณเองก็เกิดมาก็เลี้ยงดูชีวิตเขาได้ทําไมเราจะต้องไปรักขโมยเขาทําไมจะต้องคอรับชั่นคงกินทําไมจะต้องกินบ้านกินเหมือนคุณอุปการของแผ่นดินเนี้ยคุ้มก้าวคุ้มหัวเรามาเนี่ย ทำไมจะต้องทรยศแผ่นดินเราเกิดมาได้อาศัยแผ่นดินเนี่ยให้แผ่นดินได้อาศัยบ้างไม้ได้บ้างไม้อันนี้คือปัญหาที่เราต้องคิดมราจะเห็นว่าความจเจริญเติบโตของคนแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามแต่พระนี่เขาสอนให้คิดนะฮะพระก็สอนให้คิดมากเลยเพื่อจะหนาสานึกสมเนียว่าชีวิตของเรานี่เนื่องบุญคนอื่นเนี่ยเราควรทำตัวเขาเียก ง, ง่าย ในละนี่เรามีเพศต่างจากชาวบ้านแล้วอาการกิริยาใดๆที่เหมาะกีควรเกี่กับความเป็นธรรมนะจะต้องประพฤติกระทาอย่างนั้นวันคืนผ่านไปผ่านไปเนี่ยถามใจตัวเองดูซิบันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยเคยสอนให้สรวจสอ บ, บตัวเองแล้วพยายามแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ชีวิตมันมีค่ามากยิ่งขึ้น และการตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญว่าถ้าเราไม่ขอรับชั่นนะสมมติค้าร า, าการไม่ขอรับชั่นแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องก็เรียกว่าผลตกขี้หมูไหลพอสมควรนะครอย่ายกเปรียงกับการเลือกตั้งนะในเมื่อญาติโยมก็ไปคิดว่าเงินไม่มากาไม่เป็น แล้วคุณจะห้ามการซื้อเสียงได้ยังไงคุณจะห้ามทุจริตได้ยังไงเวลาเนี้ยเลือกตั้งจังหวัดอุบลเนี่ยเลือกตั้งครั้งที่สิบแล้วจังหวัดนครนายกก็เลือกกันมาเรื่อยๆยนั่นคืออะไรมันเป็นกระบวนการมันไม่ใช่จะเป็นแก้ที่สรงนั้นแล้วว่าการทำความเป็นจริงเนี่ยในกฎหมายพระราชบัญญัติเกีย่ยวการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเรามาอ่านดูมันเกินมนุษย์มนาไปอ่ะ มันทำลายโครงสร้างของสังคมคือหมายความมาช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยแม่เพื่อนตายก็ไปช่วยงานศพไม่ได้พายุพัดวัดพังก็ไปบริจาคช่วยเหลือซ่อมแซมอะไรไม่ได้หมดเลยนะฮะคือมันแปลกจริงๆเลยมันคิดยังไงอะคืออยากจะเอามาอ่านดูทุกตัวสอสักษรทีมันเงินได้ฟังข่าวที่เขาฟังเนี่ยที่เขารายงาน มันคิดยังไงมันเหมือนกับไม่ใช่สังคมคนคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะในระยะเวลาที่เขาหาเสียงกันอยู่นี่อาจจะมีอะไรก็ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นปกติธรรมดาในชีวิตที่จะต้องสงเคราะห์กันเด็กเดินไปลุงขอสตางหน่อยคนขอทานไอ้เด็กมันก็เลือกตั้งไม่ได้คนขอทานขอสตางเนี่ยจะให้แต่อนอยได้ไง อันนี้มันมันมันมันเป็นวิถีชีวิตเนี่ยเป็นวิถีสังคมแต่เราจะเราเราจะเห็นว่าศีลเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมกฎหมายมันก็เป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมนันมันต้องฝืนไม่ฝืนธรรมชาติสังคมมากเกิดไปธรรมชาติสิ่งมีชีวิตธรรมชาติมนุษย์มากเกินไปแล้วถ้าเพราะรเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม แต่ถ้าปัดการสัมพันธ์กันระหว่างสังคมแล้วมนุษย์จะอยู่ได้ยังไงแต่ทีเนี้ยถ้ามาถึงจุดหนึ่งว่าการทำหน้าที่การใช้สิทธิการทำหน้าที่ตามสิทธิของเราเนี่ยแล้วเราไปเรียกร้องผลประโยชน์แล้วก็ไปโจมตีว่าสสชื่เสียงเอาลเลยไม่จะเอาอยัางไงอะ่ะ ดังนั้นในความสานึกในเรื่องศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องนึกถึงปกติภาพปกติสุขของมนุษย์เนี่ยปกติภาพจริงๆเป็นยังไงจึงจะเกิดเป็นปกติสุขคือเราจะเห็นว่าแนวศีลจะไม่เคร่งครัดจนเกินไปถ้าเคร่งครัดมันก็เคร่งเครียดนะฮะแต่ไม่ย่อหย่อนจนเกินไปคือสังคมจะมีลักษณะอ่อนตัวยืดหยุ่น ปีการประณีประนอมมีการประสานประโยชน์และบางครั้งบางคราวมีการเผลอเลอะพังพลาดขึ้นเช่นว่าพูดพลาดไปให้สัญญาแล้วเกิดทาไม่ได้ก็ในแง่ศีลมันก็ผิดศีลแต่ว่าในแง่สังคมเนี่ยเขาก็อภัยกันได้เพราะมนุษย์ไม่ใช่สัตว์โลกที่สมบูรณ์มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องปรุดปลืออบรมพัฒนากันไปเรื่อยๆแลว้วภาษาใดที่เป็นมนุษย์มันก็เป็นอย่างเนี้ย คือถ้าดีหมดมันก็ไม่ใช่โลกมนุษย์แล้วแล้วคนก็ไม่มีงานทำนะเพราะฉะนั้นตราบใดที่โลกนี้ยังเป็นโลกมนุษย์ก็คงจะเป็นอยู่ของของเขาอย่างนั้นเองท่้นฟังฝั่งหลายแตร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตัวนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี